ว่าจะประกาศธรรมให้แก่สัตว์ทั้งหลายเพราะฉนนั้หลังจากนั้นพระองค์ก็เที่ยวประกาศพระสัพธรรมไปตามแว่นแควนต่างๆไปตามสถานที่ต่างๆแต่ภารกิจอันแรกที่พระองค์จะโปรดสงเคราะห์ก็คือปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแต่ก่อนที่จะโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งหก็ตรวจตราดูว่าอาลาลดาบทกับอุทกาดาบทก่อนแต่ท่านเหล่านั้นตายไปแล้ว อีกคนหนึ่งตายไปได้เจ็ดวันอีกคนหนึ่งเพิ่งตายเมื่อคืนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเทศวันนี้ใช่ไหมอ้าวตายไปเมื่อวานเนี่หมดสิทธิ์เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่อยู่ป่าอิสิปตนามรุกตัยวันทีนี้ไอ้พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆเวลาจะไปแสดงธรรมาจากเนี่ยนะพระองค์ก็จะเหาะไปแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ปรารบว่าถ้าพระองค์เหาะไป อุปการชีวกก็จะไม่ได้ฟังธรรมคือจะไม่ได้สนทนากับอุปกาชีวกถ้าไม่ได้สนทนาอุปกาชีวกก็ไม่มีอุปนิสัยแล้วเพราะฉะนั้นไปไปทำความรู้จักไว้กับอุปกาชีวกไว้ก่อนเออเขาเรียกว่าวางแผนสงเคราะห์วางแผนไว้หลายปีนะเนี่ยก็คือไปทำความรู้จักกันก่อนนะได้ทักทายปราใยกันก่อนซึ่ง พระองค์ได้เล่าให้โพธิราชกุมารฟังว่าดูก่อนกุมารอุปกชีวกได้พบอาตมาภาพผู้เดินทางไกลที่ระหว่างแม่น้ำขยาและไม้โพต่อกันแล้วก็ได้กล่าวกับอาตมาภาพว่าดูก่อนผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวพันธุ์ของท่านบริสุทธิ์ปวดพองท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นาศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใคร พระองค์ตรัสต่อไปว่าดูก่อนราชกุมารเมื่ออุปการชีวกกล่าวอย่างนี้แล้วอาตมาภาพได้กล่าวตอบอุปการชีวกด้วยคาถาว่าเราเป็นผู้ครอบงําธรรมะทั้งปวงคือในภพสามเนี่ยนะเป็นผู้รู้ธรรมะทั้งปวงคือรู้ธรรมะในภพสี่อันตันหาและทิฏฐิไม่ติดแล้วในธรรมะทั้งปวงพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้อารมณ์ทั้งหมดแต่ไม่รู้ด้วยอํานาจของตันหา ไม่รู้ด้วยอำนาจของทิฐิคือทิฐิและตัณหาไม่เกิดเพื่อยังธรรมจักให้เป็นไปเมื่อสัตว์โลกเป็นผู้มืดเราได้ตีกลองประกาศอมะตะธรรมแล้วนะนะพระองค์บอกว่าไงนะสัตว์โลกเป็นผู้มืดนะนะมืดจริงๆนะใครเคยลืมตามไม่มีสัตว์มาแล้เป็นเช่นด้วยกับเราก็ไม่มี บุคคลผู้เปรียบด้วยเราไม่มีในโลกกับทั้งเทวโลกเพราะเราเป็นพระอาหารหันต์ในโลกเป็นศาสดาไม่มีศาสดาอื่นยิ่งกว่าเราผู้เดียวตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้เย็นเป็นผู้ดับสนิทแล้วเราจะไปยังเมืองกาสีเพื่อยังธรรมจักให้เป็นไปเมื่อสัตว์โลกเป็นผู้มืด เราได้ตีกลองประกาศอ ม, มะตะธรรมแล้วเนีย่ยนะพระองค์บอกว่าไงนะสัตว์โลกเป็นผู้มืดเนีย่ยนะมืดจริงๆรนะใครเคยลืมตามองเห็นอริยสัจมั้งเร า, านะี่นแหละมืดมีแต่ตาเนื้อมองเห็นสีมองเห็นทางเฉยเฉยแต่ไม่ได้มองเห็นบุญเห็นบาปมองเห็นกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้มองเห็นว่าเออเหตุที่ทํานี่ให้ผลเป็นอย่างไร กรรนี้ประพฤติแล้วมีโทษหรือไม่มีโทษอย่างไรก็ยังมองไม่ค่อยเห็นถ้าเรามองเห็นจริงๆนะจะโกรธไหมไม่โกรธแล้วแต่ที่พระมองไม่เห็นอริยสัจจริงๆนั่นแหละจึงโกรธเพราะมองเห็นไม่เห็นอริยสัจจริงๆนั่นแหละโลภจึงเกิดเพราะมองไม่เห็นอริยสัจนั่นแหล ะ, ะ, มมหหละโมหะอวิชชาจึงครอบงําย่ายีจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายเนี่ยเป็นโลกที่มืดมืดไปด้วยอวิชชา มองไม่เห็นอริยสัจธรรมมองไม่เห็นทุกข์ถามว่าเรามองเห็นทุกข์หรือยังนะเอ้ยเห็นแน่อ้าวก็เห็นคนแก่ใช่ไหมเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นอยู่เรื่อยเชื่อว่าเห็นทุกข์หรือยังเห็นทุกข์เห็นด้วยอะไรเชื่อว่าเห็นทุกข์จริงๆริงเนี่เห็นด้วยอะไรจึงจะเชื่อว่าเห็นทุกข์เห็นด้วยปริญญาสามเนี่ยนะเห็นด้วยยาตะปริญญารู้จักทุกเหล่านั้นพร้อมทั้งปัจจัย รู้ด้วยปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาแบ่งแบ่งระดับด้วยปริญญาสามนี่นะรู้ทุกเหล่านั้นพร้อมทั้งปัจจัยใช่ไหมความเกิดความแก่ความตายเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยทีนี้รู้ต่อไปรู้ว่ารู้ด้วยการคร้ครวญการคร้ครวญไตรตรองทุกนั้น่ะเป็นอย่างดีโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นโรคเป็นนังหัวฟีเป็นนางลูกสอนเป็นต้น แล้วก็ยังไม่พอรู้จักทุกขเหล่านั้นรู้ด้วยปานะปริญญารู้ด้วยการละฉั้นคนที่รู้จักทุกจริงๆก็ต้องรู้ด้วยปริญญาสามในทุกในทุกทุกพูดยากเง้ยเขาบอกว่าในทุกทุกทุกอะในทุกทุกชนิดยังไงเอ่ย่างไ้ก็ได้ก็บอกว่าทําปริญญาสามในทุกทุกชนิดใช่ไหมปริญญาสามนี่เราเราเคยฟังสวดมนต์เช้าๆใช่ไหม เพื่อให้สาวกกําหนดรอบรู้ในอุปาทานขันเหล่านี้เองอตรงนั้นเนีเขาปแปล ว, ว่ากําหนดรอบรู้ใช่ไหม ร, รู้สมุทัยหรือยังอย่างนี้ชื่อว่ารู้ยังยงหมดอดยังนะเอาแล้วรู้จริงเป็นยังไงโอฟังธรรมะทั้งมันตาแล้วยองใช้ยัางไงกาหนดรู้ทุกเหล่านั้นพร้อมทั้งปัจจัยแล้วใคร่ครวนว่าเที่ยงไหมเป็นต้นนั่นเองียกว่าติรณปริญญาเมื่อติรณปริญญาเกิดมากๆปะหานะปริญญาก็เกิด าถามว่าเรามองเห็นสมุทัยหรื อ, อยังเขาบอกว่าตัณหาเกิดที่ไหนสมุทัยเกิดที่นั่นเอาตัณหาเกิดขึ้นชื่อว่ารู้จักสมุทัยหรื อ, อยังเอาถ้ารู้จักจริงๆก็บรรลุไปแล้วแต่ยังรอกใช่ไหมโอชายหนุ่มหญิงสาวเกี่ยวพาราศีกันเนี่ยโอ้ตั้งแต่เห็นเธอนเนี่ยรักอย่งนานยงนั้นรักอย่างนี้อ้าวเขาก็ชื่อว่ารู้สมุทัยหรื อ, อยังอย่างนี้ชื่อว่ารู้ยังยังหมด่นยังนะเอาแล้วรู้จริงเป็นยังไง พอฟังทรมันทั้งมันตาแล้วยองใชยภูมิบัญญาให้ดูหน่อยนะนก็บอกว่าถ้ารู้จากสมุทัยจริงๆต้องรู้ด้วยปะหานะห้านะถ้ารู้สมุทัยจริงๆต้องรู้ด้วยปะหานะห้าย่างนะรู้แล้วต้องละได้ละด้วยละมีห้าอย่างนะละด้วยตาทางข้าประหารวิคำปะนะประหารสมุชเชธะประหารปฏิปัสสัที่ประหารแล้วก็ เนสระนาปะหานถ้ารู้จากสมุทัยจริงๆต้องรู้ด้วยปะหานะทั้งห้าแต่ถ้ารู้แล้วส่งเสริมสมุทัยเนี่ยนะตรงกันข้ามนั้นแสดงว่าไม่รู้จักไฟจึงกอดไฟเอาไว้ใช่ไหมราคะเป็นไฟชนิดหนึ่งราคักขินาไฟคือราคะเนี่ยนะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเพรา ะ, ะนั้นถ้าเรารู้จากสมุทยัยจริงๆต้องรู้ด้วยปหานะทั้งห้าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะ ต่ทางฆ่าปะหานละด้วยองค์นั้นนั้นวิคพะระนปะหานละด้วยการข่มไว้ด้วยอุปจาระสมาธิอั ป, ปนาสมาธิท้าละต่อไปเคาเรียกละด้วยสมุทเฉทปะหานหรือละด้วยอริยมรรและปฏิปสัสสธิปะหานก็คืออริยผลนิสรณะปะหานเป็นชื่อของพระนิพานมันถ้าหากว่ารู้จักตัณหาจริงๆก็ต้องรู้ด้วย ปะหานะทั้งห้านิพานเอาไว้ก่อนนะผ่านไปที่จริงนิพานเนี่ยรู้ด้วยอะไรนะสัจชิกาตพะทำให้แจ้งนิพานพูดน้อยๆหน่อ ย, อ ย, อยก็ไม่เป็นไรนะเอาศึกษาเรื่องทางให้มากๆหน่อยเอาถามว่าเรารู้จักมกรรคหรือยังเห็นะนะมมรรคโดยย่อแล้วเนี่ยนะมรรคอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดสงเคราะห์ได้ขันสามคือ ศีลขันสมาธิขันและปัญญาขันคําว่าขันเนี่แปลว่ากองเขาเรียกว่าธรรมขันด้วยนะกองแห่งธรรมะคือศีลคือไม่ใช่ศีลอันเดียวโดโ ด, โดใช่ไหมมีเยอะอะ่ะก็เรียกว่ากองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญานั่นแหะจึงจะชื่อว่ารู้จริงๆถ้าไม่อย่างนั้นก็บอดแล้วเมืดแล้วก็เรียกว่าถูกทุกอย่างลงแล้วนะมีทุกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้ว ทำรู้จักศีลห้าแต่สุดแห่งกองทุกจักคนรู้จักก็มัก็กระจายอยู่นะเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักอริยมรรคจริงๆคนนั้นจะต้องเจริญอริยมรรคจึงจะเชื่อว่าคนรู้จักอริยมรรคเนี่ยนะเันทุกถ้ารู้จักทุกขาริยศาสตร์จริงๆต้องรู้จักทุกด้วยปริญญาสามสมุทัยถ้าจะรู้จักเขาจริงๆก็ต้องรู้ด้วยปรารินะห้า นิโรธถ้ารู้เขาจริงๆก็ต้องรู้ด้วยการทําให้แจ้งอริยมรรคถ้ารู้จริงๆก็ต้องรู้ด้วยการเจริญทาเวตาปธรรมนั่นแนหะจึงจะชื่อว่ารู้จริงๆริถ้าไม่อย่างนั้นก็บอดแล้วมืดแล้วก็เรียกว่าถูกทุกอย่างลงแล้วนะมีทุกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วทํำชะไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกจักมีแก่เราได้นั่นแนหะถ้าฟังอย่างนี้นะสมมติอนะ่ะพูดสรุปสรุปถามว่าเราพอมองเห็นทางหรื อ, อยัง ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรชั้นต้นเลยนะที่เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็คือตัวเราเนี่ยที่จะเห็นทุกข์ได้ก็เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นสาระก่อนใช่ไหมสาระของเรานั่นแหละชี้ให้เราเห็นทั้งหมดก่อนอันเราก็เลยยอมรับนับถือว่าพุทธังสารนังคาชามิใช่ไหมยอมรับเออข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้เลยพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้าพเจ้าขอเป็นศิษย์เรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่เป็นบุคคลที่ข้าพเจ้าจะติดตามเพื่อนนอบน้อมพระองค์พระองค์อยู่ที่ไหนก็จะติดตามเนาะนอบน้อมพระองค์ไปอย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะเพราะว่าการนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีสี่อย่างหนึ่ง อั ต, ตสันนายตนะมอบกายถาวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าสองตับปรายนะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าสามสิสภาวูปัคมณะขอถึงความเป็นสิทธเรียนรู้ตามท่านสี่ปนิป่าตะนอบน้อมท่านนี่นะอนอบน้อมอย่างเดียว จากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองนั่ะข้าพเจ้าจะขอติดตามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์จะขอติดตามเพื่อเธทอทูลบูชาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยอริยคุณเหล่านั้นนันะงั้นการที่เราศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเนี่ยนะเราก็ มีสารณะมีที่พึ่งห่านพระองค์โอวาทพุทธภาสิตใดๆมาเราก็มีใจศรัทธาในคําสอนเหล่านั้นพร้อมที่จะศึกษาและปฏิบัติตามเรียนรู้ตามตามสติและกําลังใช่ไหมตามสติและกําลังคําว่ากําลังนี้มีกี่อย่างนะคำว่ากําลังเนี่ย โ, โหออกแรงใหญ่เลยใช่ไหมพ้นทัดน์พื้นจับจอบจับเสียมขุดเอาขุดเอ า, เ อ, าอยังงี้หรือเป่าเรียกว่าคนมีกำลัง อันนั้นเขาเรียกว่าคนมีแรงว่างันแต่ถ้ามีกําลังเนี่ยกำลังเนี่ยแปลเป็นภาษาบาลีว่าอย่างไรมาฮะกำลังแปลเป็นบาลีว่าพะละนะพะละมีเท่าไหร่มีห้านะโอเจ้าเจ้าไม่ธรรมดานะเฮีอะเฮรกกะอโนตปะเนี่ยโหสองตัวมานี่เสียหายหมดเลยพะละที่เหลือหายหมดเลยนะยิ่งกับซบเซาอีกแต่ว่าพะละที่ดีมีค่าจริงๆมีเจ็ดอย่าง ศรัทธาภละมีกําลังคือศรัทธาในพระตถาคตอรภละหก็มีภละเจ็ก็มีฮิ ร, ริภละโอตปะภละเพิ่มมาอีก 2. สองศรัทธาภละมีกําลังคือศรัทธาในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปมีหิ ร, ริภละมฮีฮิ ร, ริภละโอตปะภละเอาภละดีๆนะภละชั่วไม่เอาไม่กำลังแบบนั้นเอามาทําอะไร ยิ่งเขาบอกว่าอาหฮิริกะอะฮิอะิริกะอนโนตปะเนี่ยโหสองตัวมาในเสียหายหมดเลยพะละที่เหลือหายหมดเลยนะยิ่งกระซบเซาอีกแต่ว่าพะละที่ดีมีค่าจริงๆมีเจ็ดอย่างศรัทธาพละมีกําลังคือศรัทธาในพระตถาคตอรหัมมสสะมาสัมพุทธเจ้ามีฮิริพละมีความละอายต่อทุกจิตทุกชนิด ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจละอายรังเกียจและเกินต่ออกุศลธรรมโอต ป, ปะพภ ะ, ะมีกําลังคือโอต ป, ปะแปลว่าความสะดุ้งกลัวต่อความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาและก็ความชั่วทางใจความชั่วในอกุศลธรรมทุกชนิดอันนี้เรียกว่าคนมีกําลังนะมีกําลังคือโอต ป, ปะพภ ะ, ละแล้วก็มีกําลังคือวิริยักษ กำลังเรี่ยวแรงที่จะละบาปและเจริญบุญนะนะแล้วก็มีกําลังคือสติระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้นานแล้วอย่าลืมนะสติไม่ใช่แค่ระลึกลูก่เฉยเฉยนะสตินี่ท่านอุปมาสองอย่างเหมือนอะไรสติอุปมาเหมือนกับขุนคลังขุน ค, คลังเนี่ยนะขุน ค, คลังของพระเจ้าจักรพรรดิเ ช, ช้ามาเริ่มไปรายงานพระเจ้าจักรพรรดิว่าทรย์ของท่านมีเท่านี้นะ ช้างมีเท่านี้ม้ามีเท่านี้เข้าไปรายงานพระเจ้าจกักรพรรดิว่าพระองค์มีทรัพย์สมบัติมีราชสมบัติอยู่เท่านี้มีกองทัพอยู่เท่านี้มีทหารราบทหารบกทหารเรืออะไรมีเท่านี้เท่านี้รายงานทรัพย์สินให้พระเจ้าจกักรพรรดิฟังหมดสติก็เหมือนกันตื่นมาปุ๊บสติรายงานเลยเออท่านมี ส, ต, สติประธานสี่นะท่านมีทรัพย์คือสัมมประธานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละหา้าโพชงเจ็ด อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี้สมถะนี้วิปัสสนานี้อริยสัตตนี้วิชานี้วิมุตตนะสตินี้รายงานหมดเลยนะของดีๆเนี่ยนะนั่นก็เรียกว่าคนมีสติพละมีกำลังคือสติหรือว่าสติเหมือนกับปรินายกแก้วปรินายกแก้วเนี่ยนะนายกที่มีความพักดีต่อพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยจะคอยกำจัดเกียรติกัน คนที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าจากักรพรรดิให้ห่างออกไปแล้วให้คนที่หวังประโยชน์เกื้อกูลต่อพระเจ้าสา ม, มารถที่จะมองเห็นความเกิดและความดับเหตุเกิดความดับอัศาธาอาทีนวะนิสรณะของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะขอศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทีถ้ามีสติก็จะมีสมาธิพละกําลังคือสมาธินี่ เราเคยสงบใจไหมเมื่อตามละลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ค่อยสงบแสดงว่าไม่มีกําลังไม่มีกําลังคือสมาธิกําลังคือสมาธิที่อ่อนเพราะกําลังคือสติเราน้อยในการตามละลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อยเพราะฉะนั้นกําลังคือสมาธิก็เลยอ่อนไปด้วยแล้วกําลังคือปัญญาสา ม, มารถที่จะมองเห็นความเกิดและความดับ เหตุเกิดความดับอัฏฐะอาทีนวะนิสรณะของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะขอศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามสติและกำลังแต่จริงธรรมะเหล่านี้อีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าอริยทรัพย์แต่วันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกำลังก็เรื่องเดียวนั่นแหละนั่นนะจริงนะกับข้าวเนี่ยนะในโต๊ะเนี่ยก็วัตถุดิบก้อนเดียวนั่นแหละนะ แต่กับวันนี้เขาเรียกแกงส้มบ้างนนี้ก็เรียกผัดเผ็ดบ้างวัตถุดิบชนิดคล้ายๆกันนั่นแหละมันไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่หรอกแต่ว่ายักย้ายได้ใช่ไหมคาสอนของพระพุทธเจ้ากับลักษณะนั้นนั่นแหละถ้าเรียนเจตสิกมาแล้วเนี่ยก็สบายแล้วใช่ไหมยักย้ายเปลี่ยนแต่ชื่อเท่านั้นเองบางห้องเขาทาไม่ได้ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นเลยแม่ก็ฟังเราโหเยอะแยะไปหมดใครจะไปจําำวาดจาไว้ที่ไหนได้มีสูตรอยู่หรอกนี่นะเขาเรียกว่าไวยากรณ์พระธรรม การศึกษาพระธรรมอภิธรรมนี่นะเป็นไวยากรณ์พระธรรมถ้าเราไม่ศึกษาอภิธรรมเลยพระสูตรก็โอ้ยฟังแล้วใครจะไปจำว่าจาใหม่เยอะแยะไปหมดแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรียนอภิธรรมแล้วก็รู้สูตรเออมายังไงไปยังไงก็พอได้ยมอดได้เรียนอภิธรรมบ้างนั่นตาโอ้เสียดายนะน้ําขึ้นไม่ได้ตักเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นมารอบใหม่เดี๋ยวตักให้เต็มที่เลยนั่นเอง นี่เขาบอกว่าเห็นว่าเป็นขุมทรัพย์ยังขุดไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนใช่ไหมสักวันถอนะอนะเดี๋ยวก็เป็นคิวของเราบุญให้ผลเมื่อไหร่สบายแนะ่ตอนนี้กำลังสะสมอยู่เพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อสัต์ตะวันโลกที่นี้เรามาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราที่เรียกว่าสัตวตวันโลกดูนะว่าเรารู้จัก ตัวเราเองขนาดไหนนะเรียนรู้เรื่องสัตว์วัตโลกสัตว์วัตโลกเนี่ยนะอย่าไปมองไกลเลยมองที่ตัวเราเลยแหละเราก็เราเป็นสัตว์ไหมเพราะฉะนั้นสัตว์เนี่ยนะในพบภูมิทั้งหมดก็เรียกว่าสัตว์คําว่าสัตว์นี้แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าผู้คล้องผู้คล่องเลยเรียกว่าสัตว์คล่องในขันท่านะคล่องในรูปคล่องในเวทนาคล้องในสัญญาคล่องในสังขาร แล้วก็คล่องในวิญญาณผู้ติดผู้คล่องอ่ะนะหมาวันไหนถ้าไม่คล่องนี่ก็แสดงว่าแทบไม่ใช่สัตว์แล้วนะแต่ถ้าค้องเนี่เออปกติว่างั้นอา้าวพาหันก็เรียกว่าสัตว์ไม่ใช่เหรอคือเรียกด้วยอํานาจเรียกว่าสัตว์ที่เป็นไปเยอะๆเนี่ยนะก็เหมือนกับที่บอกว่าสัตว์ทั้งหมดย่อมกลัวตายที่จริงนี่พาหันไม่ได้กลัวตายหรอกโคเสภะเป็นต้นก็ไม่ได้กลัวตาย แต่ว่าที่เรียกก็คือเรียกด้วยอํานาจคํามากนะคาจํานวนมากเนั้นพระอรหันต์ก็เลยเรียกว่าสัตว์เหมือนกันแต่ว่าโดยสัตว์นี่แปลว่าผู้เป็นที่ดูการทําบุญและดูการทําบาปแล้วก็ดูผลของบุญและดูผลของบาปพระพุทธเจ้านั้นทรงทราบความแก่กล้าและความไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายบุญดูบาปดู